แก่นแท้ของพุทธธรรมคือความหลุดพ้นพึ่งตนได้ในสังคมของกัลยาณมิตรผู้มีชีวิตที่เกื้อกูลกันขอจบด้วยคำสรุปตามหัวข้อที่ตั้งไว้ให้ว่าแก่นแท้ของพระพุท ธ, ธศาสนาแก่นแท้ของพระพุท ธ, ธศาสนานั้นมีอยู่ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่ามหาสาโรปรมัสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องแก่นของพระพุทธศาสนาไว้มีใจความตามพระสูตรนี้ว่าโรมจริยาหรือชีวิตที่ประเสริฐคือตัวพระพุทธศาสนานี้เปรียบได้กับต้นไม้ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆกันลาบสการะเหมือนกิ่งใบศีลเหมือนสะเก็ดไม้ สมาธิเหมือนเปลือกไม้ปัญญาเหมือนกับกระพีไม้วิมุตติความหลุดพ้นเป็นแก่นตรงนี้หละมาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นเป็นอิสระเข้ากับหลักที่พูดสุดท้ายว่าจะต้องพัฒนาตนให้พึ่งตนเองได้ และเป็นอิสระจนกระทั่งในที่สุดเป็นอิสระทางจิตใจและปัญญาเราพึ่งคนอื่นเช่นพึ่งพระพุทธเจ้าก็เพื่อทำตัวเราให้พึ่งตนเองได้พระพุทธเจ้าช่วยให้เราพึ่งตนเองได้นั่นเองจุดหมายก็คือพึ่งตนเองได้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาจึงมาถึงแก่นแท้ที่สูงสุดคือวิมุตติ ความหลุดพ้นเป็นอิสระแก่นแท้ของพระพุทธทศาสนาก็จบลงตรงนี้เองตอนแรกเป็นอิสระทางพฤติกรรมซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่เป็นอิสระทางสังคมทำอะไรอะไรพูดอะไรอะไรได้โดยไม่ถูกบังคับครอบงำข่มเหงแต่พร้อมกันนั้น ก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสจึงจะเป็นอิสระจากการเบียดเบียนกันแท้จริงอิสระภาพที่แท้จึงไม่ใช่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นภาวะทางจิตใจและปัญญาและอิสระภาพที่สมบูรณ์คืออิสระภาพทางปัญญาในด้านพฤติกรรมนั้น ท่านไม่สอนให้เป็นอิสระแบบแยกต่างหากจากกันหรือต่างคนต่างอยู่แต่พฤติกรรมนั้นท่านมุ่งให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้เกื้อหนุนกันด้วยวัตถุแล้วเรียวแรงกําลังเป็นต้นโดยรู้เท่าทันว่าวัตถุทรัพย์สินภายนอกรวมทั้งลาบสกสาระทั้งหลายเราต้องอาศัยแต่มันเป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนเป็นเหมือนกิ่งใบไม่ใช่เป็นตัวแก่นสาร ในด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตภายนอกนี้ให้เราเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้พร้อมกับเราต้องพึ่งคนอื่นด้วยให้สังคมเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นกัละยาณมิตรของกันและกันโดยแต่ละคนก็มีอะไรให้คนอื่นได้พึ่งบ้างต่างก็เกื้อหนุนกันให้สังคมอยู่พาสุขและให้แต่ละคนมีโอกาสพัฒนายิ่งขึ้นไปในตรยสิกขา เพื่อให้แต่ละคนมีอิสรภาพที่พึ่งตนได้แท้จริงในทางจิตใจและทางปัญญาอย่างนี้จึงจะเป็นสังคมที่ดีขอให้ดูวินัยของพระคือชีวิตในสังฆะตามพุทธบัญญัติจะเห็นชัดว่าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดวางเป็นแบบไว้คือสังคมสงเป็นสังคมตัวอย่าง แห่งการที่แต่ละคนพยายามพัฒนาตนให้มีอิสรภาพทางจิตใจและปัญญาโดยที่ชีวิตทางด้านพฤติกรรมนั้นพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการเกื้อหนุนกันให้ก้าวไปไม่ใช่ช่วยให้เขาไม่ต้องทำและคอยรอรับความช่วยเหลือคนที่มีอิสรภาพทางจิตใจและทางปัญญาเท่านั้นจึงจะสร้างสารรค์สังคมอย่างนี้ และอยู่กันด้วยดีในสังคมอย่างนี้ได้เรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพูดมาถึงแก่นธรรมเพื่อชีวิตแล้วก็ขอจบไว้เพียงนี้ก่อนแม้ว่าที่จริงยังมีหัวข้อที่ควรพูดอีกสองเรื่องหรือสองบทคือแก่นธรรมเพื่อสังคมกับแก่นธรรมเพื่อโลกแต่จำเป็นต้องยุติเพราะความยาวที่เกินเวลาขออนุโมทนาขอความเจริญผาสุก จงมีแดดทุกท่าน